ทำพระทัศนาชีวิตผมส่าสินีนทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังเรื่องที่คุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในระยะนี้ก็คือเรื่องแพร่ถนัใจแล้วก็คุณพระัตนัดใจเมื่อวานนี้คุยถึงคุณของพระพุทธเจ้าในรายละเอียดคือพระพุทธคุณเก้านะครับเริ่มต้นด้วยอาราหัง ที่แปลว่าพระอาหารหันต์แล้วก็มีความหมายสีความหมายผมขอทบทวนอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับคือทรงห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสแล้วก็ทรงหักกรรมแห่งสังสารแะจักเสียได้คือกรรมแห่งสังสารวัฏคือตัวกิเลสธนาอุปาทานนะครับแล้วก็ทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัยที่ทายกนํามาถวายเพราะว่าเป็นผู้มีคุณที่ควรบูชา แล้วก็ประการที่สี่ไม่ทรงทําบาปทั้งในที่หลับและที่แจง้งทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่สองนะครับสัมมาสัมพุทโธสัมมาแปลว่าโดยชอบสัมพุทโธแปลว่ารู้เองหรือทัศรู้เองโดยชอบทีนี้มีคนเขาถามว่าเอพระพุทธเจ้านี่ก็เคยมีครูบาอาจารย์ เห็นว่าตอนเป็นราชกุมารก็เคยไปเรียนกับครูวิศวามิตรแล้วก็ตอนออกบวชแล้วก็ไปเรียนกับท่านอาจารย์ทั้งสองคืออารากระดาปต์ไดอุทกกระดาปต์จนได้ฌานแปดเมื่อเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าได้รัสรู้เองอย่างไรอันนี้ก็ ขอแก้อย่างนี้นะครับขออธิบายอย่างนี้คือว่าจินอยู่ท่านก็มีครูบาอาจารย์ได้ไปเรียนกับคนนั้นคนนี้แต่ว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เช่นอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทอันนี้พระองค์ไม่เคยเรียนกับใครไม่เคยรู้จากใครมากอดคือได้ค้นคว้าพบเองเทียบให้ดูคล้ายคนักวิทยาศาสตร์ที่เรา ให้เกียรติว่าท่านผู้นั้นพบคนพบสิ่งนั้นท่านผู้นี้คนพบสิ่งนี้ mm hmm. เช่นท่านอันเบิร์ตไอน์สไตน์คนพบทฤษฎีว่าด้วยสัมพันธภาพหรือทฤษฎีออ f เปเรทิฟิตี้นะฮะหรือว่านิวตันคนพบกฎแห่งการโน้มถ่วงอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอท่านเหล่านั้นก็ มีครูมาก่อนเหมือนกันได้เคยเรียนกับครูมาท้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่ท่านค้นพบใหม่เนี่ยท่านไม่ได้เรียนจากผู้อื่นมาท่านประมวลเอาความรู้ต่างๆเป็นพื้นฐานแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปส่วนที่ท่านต่อยอดนั่นแหละคือส่วนที่ท่านได้ค้นพบโลกยิง่งง่ายเกียรติท่านเหล่านั้นว่าเป็นผู้ค้นพบสิ่งนั้นสิ่งนี้ พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันครับเป็นผู้ค้นพบกฎแห่องอริยสัจความจริงอันประเสริฐอริยสัจสี่นะครับแล้วจึงปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุธทธุกูดูในธรรมจักกับประวัตินสูตรก็ได้นะครับประสูตรแรกที่ทรงแสดงกับปัญจวัคคีย์ทรงปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุธทธุกูเพราะรู้อริยสัจ สี่ประกอบด้วยรอบสามอาการสิบสองโดยครอบท้วนบริบูรณ์อันนี้จัดเอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่บางคนบอกว่าเอพระพุทธเจ้าก็มีครูบาอาจารย์เหมือนกันทำไมจึงบอกว่าตรัสรู้เองมีอยู่คราวหนึ่ง เ, เมื่อตรัสรู้ใหม่ๆก็เสด็จจากพุทธคยา มาที่อิศิปต น, นะหรือพาราณสีก็ระหว่างทางก็กเจออาชีวกผู้หนึ่งชื่ออุปกะเรียกรวมๆ ว, ว่าอุปกะชีวกอุปกะชีวกอาชีวก ช, ชื่ออุปกะก็เห็นท่านพระองค์ท่านมีรัศมีกระจายออกมาจากพระวรากาย ก็รู้สึกแปลกว่านักบวชผู้นี้มีรัศมีพุทธพองยอิ่งนักแล้วก็มีฉับพลันนรังสีน่าดูก็เลยถามว่าใครเป็นครูของท่านท่านบวชอุทิศใครพระพุทธเจ้าก็จัดว่าเราเป็นผู้รู้เองเราเป็นผู้รู้เองศัก บาภิภูสัพพวิ두หานัสมิาหมามัตสมิเราเป็นผู้ครอบงาสิ่งทั้งปวงเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเราไม่ผิดในธรรมทั้งปวงเป็นผู้หะ ก, กีิเลสทั้งปวงหลุดพ้นเพราะความสิ้นตัณหาอาจจะพึงอ้างใครว่าเป็นครูอาจจะพึงอ้างใครว่าเป็นครูเราเป็นผู้รู้เองสยังอภิน ญ, ญาญะ เจาเป็นผู้รู้เองจะพึงอ้างใครว่าเป็นครูเสร็จ แ, แล้วอุปการชีวกก็ทําอย่างไรอุปการชีวกทำอย่างไาวางไว่าไม่จินดีไม่คัดการเนวะพินันดินปติโกสิไม่ยินดีไม่คัดการแล้วก็สันศีรษะแลบลิ้นแล้วก็หลีกไป ทังศีษะแลบลิ้นแล้วก็หลีกไปขกงจะเป็นทำนองว่า เ, เป็นไปได้นะพ่อคุณเป็นไปได้นะพ่อคุณที่คนไม่ไ ม, ไม่มีครูไม่มีอาจารย์รู้เองเออทานองนั้นไอ้เรื่องนี้ก็ยาวนะครับยาวที่เรื่องของอุปกรารชีวกเนี่ยท่านก็ไปที่บ้านทานเนี้ยแล้วก็มีเรื่องอะไรต่ออะไรก็จ ะ, จะได้ได้เขียนเล่าเอาไว้ในเรื่องการอ น, น์พุทธอนุชา โดยพิสดานพอสมควรหลายบทก็ท่านที่ต้องการจะอ่านรายละเอียดเรื่องตรงนี้ก็ไปหานในเรื่องพระอนุพุทธอนุชาได้ฮนะบางทีก็มีคนมาถามท่านว่ า, าเป็นอะไรท่านก็บอกว่าเป็นพุทธะไม่เป็นอะไรไม่เป็นกษัตริย์ไม่เป็นพระไม่เป็นเทวดาไม่เป็นอะไรเป็นพุทธะ อภินยัยยังอภิญญาตังสิ่งที่ควรรู้เราได้รู้แล้วพาเวตับปัญจะพาวิตังสิ่งที่ควรอบรมจะเรินเราได้จะเริญแล้วป่าตับปังไปนางเมสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วตาสัมมาพุทธสมิภรัมมะนะตุก่อนพราหมณเพราะฉะนั้นท่านจงรู้เถิดว่าเราเป็นพุทธโธไม่เป็นอะไรไม่เป็นเทวดาไม่เป็นพรหมไม่เป็น กษัตริย์ไม่เป็นพระไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเป็นพุทโธพอตรัสรู้เองโดยชอบโดยถูกต้องเพราะนั้นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงจึงเป็นสวาสขา์โตพระควตารธรรมโมพระธรรมที่พระบุรีโอพระเจ้าพระธรรมของพระภุมีพระพัะเจ้านั้นจัดไปดีแล้ว พระองค์ได้จัดไปดีแล้วสวักดิตัจัดไปดีแล้วก็ราเหที่ว่าพระองค์ได้จัดสรู้เองโดยถูกต้องทีนี้คนเมื่อไม่รู้ถูกต้องพูดอะไรก็พูดไม่ถูกต้องเวลานี้ก็มีคนบน่นกันมากกว่าในการฟังเรื่องราวทางศาสนาไม่รู้อะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่รู้อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อันนี้ก็เราก็ดูได้ว่าถ้าเพื่อคนพูดหรดอเจ้าสำนักนั่นดูถูกต้องมั น, นก็ก็พูดถูกต้องถ้ารู้ไม่ถูกต้องก็พูดไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับสัมมาสัมพุทโธนี้เป็นพระคุณอันหนึ่งของพระภูมิพระพักเจ้าเป็นภูมิจัตสรู้เองโดยชอบทีนี้ก็มาถึงข้อที่สาม ที่สามวิชาเจารณาสัมปันโนทรงสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติทั้งอย่างสามัญและอย่างสูงความรู้และความประพฤติอย่างสามัญก็คือความรู้และความประพฤติดีที่คนผู้ ด, ดีทั้งหลายเขามีกันอยู่แต่อย่างสูงนี้ก็คื อ, อวิชาแปดเจรณาสิก้าอันนี้ก็เป็นความรู้อย่างสูง วิชาเจรณาสัมปันโน โ, โสเสธโธเดวมานุเซคนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤตินั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์เรามีสุภาษิตอยู่ว่ากัติโยเศธโธชนิตสมิงในหมู่ชนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคดกรัตประเสริฐที่สุดในหมู่ชนที่ยังเรีอรังเกียจกันด้วยโคด กษัตริย์ประเสริฐที่สุดแต่ว่าวิจชาจารณสัมปันโนโสซเสซธโธเดวมามันแต่ว่าคนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติยังประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์แต่ไม่เพียงแต่จะประเสริฐกว่ากษัตริย์เท่านั้นแต่ว่ายัางประเสริฐกวา่าเทวดาอีกด้วยประเสริฐกว่าเทวดาด้วยนี่คือความรู้และความประพฤตินี้ก็ ความรู้อย่างสา ม, มัญในี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็รอบรู้สาละพัดพิชาดูได้หลังจากเปิดสาลูแล้วเวลาท่านไปคุยกับใครเรื่องอะไรท่านก็สามารถจะคุยเรื่องนั้นได้คุยกับเรื่องเรื่องนั้นกับเขาได้แล้วก็ความรู้อย่างสา ม, มัญความประพฤติอย่างสา ม, มัญคือเป็นผู้ดีเราองค์ทรงเป็นผู้ดีทั้งโดยชาติโดยตระกูลแล้วก็โดยความประพฤติ ไปดูในเสกียวัตก็ได้ครับพระพุทธบัญญัติที่เกี่ยวกับเสขียวัตเจ็ดสิบห้าข้อเนี่ยเจ็ดสิบห้าข้อนะ่อนะซึ่งมาเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยอยู่ไม่ใช่น้อยอพระสงค์ก็ได้อาศัยเสขียวัตนั่นแหละทําให้หน่าดูน่าเลื่อมใส mm hmm. เสกียวัตแปลว่าวัดปฏิบัติที่ควรศึกษาเช่นเกี่ยวกับการนุ่งห่มเกี่ยวกับการบริโภคเกี่ยวกับการพูดจาเกี่ยวกับการวางเนื้อวางตัว อะไรเนี่ยนะครับก็จะดูดีดูดีดูงามถ้าเผื่อว่าปฏิบัติอยู่ในเศริยวัรอันนี้ก็คือสมบัติผู้ดีเศริยวัดนี่ก็คือสมบัติผู้ดีแล้วก็มีหลักมีหลักวินัยและมีหลักธรรมะที่เป็นสมบัติผู้ดีอีกเยอะแยะในศาสนาอาภิสมาจาร์หลักอภิสมาจาร์ที่เขาเรียกว่าอาภิสมาจาริกาสิกา ข้อศึกษาที่เกี่ยวกับอภิสมาจาร์คือสมบัติผู้ดีมีเยอะครับจริงๆแล้วพระไม่ได้ถือศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดอกมีเจอแยะที่เป็นอภิสมาจาริกดิกขาแปลว่าสมบัติผู้ดีถ้าเผื่อท่านปฏิบัติตามนั้นทำตามนั้นก็จะดูงดงามทั้งการวางตัวทั้งการพูดจาทั้งการต้อนรับแขก อาการตุกาวัตอาจารยวัดปัญญาวัดรอะไรท่านสอนไม่หมดแลยครับว่าควรจะทำอย่างไรท่านสอนเมยหมดเก้นแต่ว่าผู้ที่ถข้ามาศึกษาทางศาสนาจะเป็นพระหรือเนรหรือใครเราจะสนใจเรื่องนี้หรือไม่สนใจนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าสนใจจะเอาความรู้เหล่านี้มีมากเกินเกินแล้วก็ เมื่อก่อนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราท่านก็ได้ศึกษาจริงเหล่านี้แล้วก็เอาม า, เ, าเขียนหนังสือเป็นสมบัติผู้ดีเวลานี้ก็ดูมันจะเลิกกันไปแล้วหนังสือสมบัติผู้ดีเลิกกันไปแล้วถึงเป็นว่าไม่ทันสมัยหรือยอย่างไรก็ไม่ทราบก็เลยเลิกกันไปทีจริงน่าศึกษาน่าสนใจมากความเป็นผู้ดีในสังคมของเราก็เลยน้อยลงน้อยลง อหนังสือเรียนของของพระนั้นถ้าเผื่อว่าท่านตั้งใจจะศึกษาตั้งใจจะตูอะไรต่ออะไรด้วยความคล้ายคลุนนะครับมีเรื่องดีๆให้ชมเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวมผมจะพูดยังไงดีคือผมรู้สึกว่าซาบซึ้งกับสิ่งเหล่านี้ น, นะครับได้อะไรเยอะเลยครับจากสิ่งที่ท่านสอนไว้ในหนังสือเรียน ท, ทุกระดับชั้นแต่ว่าเราต้องใค่ครวนแล้วต้องต้องรู้จักหยิบรู้จักเอามาใชา้เขาก็ได้ประโยชน์มาจงว่า อ, อฟังเทศในโบสถ์เนี่ยนะครับผู้ที่ปวดเวลาฟังเทศในโบสถนะ์นั่งประนมมือพับเทียบนั่งพับเทียบประนมมือหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรเนี่ยจะไม่พูดกันเลยนั่งเขาถึงกันแต่จะไม่พูดกันเลยตั้งแต่ผู้ใหญ่มาถึง เล็กเน้นน้อยเลยไม่พูดกันเลยสักคำเดียวจนกว่าจะออกจากบสถนี่คือการฝึกนี่คือการฝึกความประพฤติฝึ ก, กตนฝึกกิริยามาราศัิอย่างดีที่สุดเลยไปทาให้เป็นคนที่ว่าพูดน้อยหรือไม่พูดก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กนักเกรียนในวัยรุ่นเนี่ยถ้าไปอยู่กันไปนั่งอยู่ด้วยกันนั่งติดกันแล้วก็ กล้าที่จะห้ามไม่ให้เขาพูดเรนนี้ถ้าเราฝึกไม่พูดในที่ประชุมได้สักพักหนึ่งการที่จะพูดเป็นของยากกว่าการไม่พูดการไม่พูดน่าจะเป็นของง่ายแต่การพูดนี่จะเป็นของยากก็ไม่อยากจะพูดเวลาเข้าประชุมแล้วไม่อยากจะพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อของการประชุมนนี้มันเป็นการฝึกการการฝึกการฝึกต้น บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนก็ได้วิชาความรู้ได้ความประพฤติได้จียามารยาะได้สมบัติผู้ดีได้อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะจาระไหนอย่างไรให้หมดสิ้นที่คุณค่าของการที่ได้ฝึกอบรมแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจฝึก ไม่ไม่ประทับใจไม่ซาบซึ้งกับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้แต่ที่นี่วิชาชั้นสูงมาถึงวิชาชั้นสูงนี่ท่านใหม่เอาวิชาแปดถ้าจะพูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องยาวมากเลยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยวิชาแปดมันจะตั้งแต่อิทธิวิธิแสดงอิทธติต่างๆได้ภเพเปนิวาสานุสติญาณทิปโสด ท, ทิปจักสูเอญเยอะแยะ จารณะนาสิพาจ้าะาสิพานี่หมายถึงความประพฤติชั้นสูงเหมือนกันเช่นสีลรสัมปัจจายังนีเป็นต้นนะครับไปจนถึงอินเสียสังวรรู้จักสํารวมแล้ก็มีชาญนเนี่ยอะไรชั้นสี่ชั้นแปดนี่ก็เป็นจรณะสิบห้าพระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณ ะ, ะทั้งความรู้ดีและความประพฤติดี จะเป็นผู้กระเส์ทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์ทีนี้มาถึงข้อที่สี่นะครับครับพระคุณข้อที่สี่คือสุขัสโธเสด็จไปดีคือว่าเสด็จไปแล้วก็เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนเสด็จไปดีนี่คือเสด็จไปไหนก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนแล้วก็มีความหมายหนึ่งว่าทรงมีพระวาจาดี สัมมาขดัดตตาสุขโตชื่อว่าสุขโตเพราะมีพระวาจาศีลทอานนี้ก็เป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จไปไหนก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมู้ชนหรือของประชาชนที่พระองค์จะเสด็จไปพกไปหาเป็นสุขโต เป็นเสด็จไปดีแล้วก็เสด็จมาดีจะเสด็จไปที่ไหนเสด็จมาที่ไหนก็ดีทั้งนั้นเพราะว่ามีพระไัยที่ตั้งใจจะให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อืน่นอีกประการอีกประการหนึ่งก็คือโลกวิทูแปลว่าส่งรู้จักโลกพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากเป็นโลกวิทูแล้วเป็นธรรมวิทูรู้แจ้งธรรมรู้จักธรรม ทั้งโลกกวีทูและธรรมวีทูรู้จักโลกอย่างดีจึงสามารถปฏิบัติต่อโลกอย่างถูกต้องถ่องแท้ตั้ง่ทั้งโลกที่เป็นพื้นแผ่นดินเป็นอากาศเป็นหมูสัตว์เป็นสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงแปลว่าทรงรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม อันนี้ก็เป็นความจําเป็นของพระองค์อย่างยิ่งนะครับที่ะจะเผยแผ่ศาสนาเพราะความที่ทรงรู้จักโลกรู้แจ้งโลกเข้าใจโลกหรือวาอ่าว่ารู้จักชาวบ้านเข้าใจชาวบ้านสามารถจะแสดงให้ชาวบ้านแสดงทำให้ชาวบ้านเข้าใจได้แต่โลกไม่ว่าจะโลกไหนๆจะจักเป็นกี่โลกพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้รู้โลก เอาตอนหลังผมค่อยสรุปนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรกับพระพุทธคุณหมายความว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อพระพุทธคุณจึงจะเกิดประโยชน์แก่พวกเราไม่เพียงแต่เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นแต่ว่าให้น้อมให้เป็นประโยชน์แก่พวกเราซึ่งเป็นคนธรรมดานี้ด้วยท่านทุกฝังที่ก็รับกับเวลาหมดพอดีครับวันนี้พูดเต็มที่หมดเวลาพอดีขอยุ ด, ดิด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทา ง, ทางโลกและทางธรรมพึงมีแต่ท่านผู้กระทํารายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วไปสวัสดีครับ